หมายก็ว่าถ้าผู้อยู่ใกล้คิดกับพระ อ, องค์เมื่อมีผู้ถามว่าพระ อ, องค์สอนทำอะไรที่ไหนถ้าบอกไปได้ก็เขาจะตีกินนันทาเอาเถลือแต่ เ, เป็นพุทธาลไม่รู้ไม่ขี้อะไรเลยพระเจ้าก็เอ้าสาธุพระสองฆ์ทั้งองก็สาธุบ่าว่าอีกข้อนึงว่าถ้าตามติดตามพุทธภาก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 จะไม่มีใครดุใครด่าเราอีกเราจะอยู่อย่างสบายใช่ไหมอ่มีใครมาดูมาด่า เ, เตือนนู่นเตือนนี่ล้ำคาญเหลือเกินเมื่อพระ อ, องอยังอยู่พอองปัตินิพานไปแล้วก็ดีอะเกิดปะกตบ อ, อกตัวเองโอ้ยเศร้าใจปัตินิพานยังไม่ถึงเกยียตวันก็มีเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาในหมู่สงฆ์ก็คิดขึ้นว่าโอ้ทําไมเนอทําไม่ได้คาสอนพระเจ้านะี่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 ก็ไม่ได้แล้วทำไม่ไหของเราในคำสั่งสอนพระเจ้าเห็นแตกแคกไปอย่างนี้จะทำไงหนอจะอยู่ได้หรือสัจธรรมคำสอนเมื่อถ้าไวเพื่อเพลิงแล้วไปชมสงคันดีไปทำสังขยนาร้อยกองขึ้นมาขาดไม่ได้คือพระอานนุ์พระอานุ์ยังไม่เป็นพระหัานเลยผู้ที่ทำสังขยนา น, านี้พระสงฆ์สมัยนั้นพระมหากปะเป็นประมุก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 ไปเช็ดไปถูไปอุปถามภูกุศสนะไปบูชาไปกราบไปไหว้ตักน้ำจากบ่อขึ้นไปให้พระพุทธเจ้าสงฆ์ทุกวันอานนอนไม่มีพทธเจ้าแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นทําเหมือนเดิมตักน้ำขึ้นไปก็ใส่พระองค์ผู้เจริญ น, นี่บนบ่ายสงน้ำพูดอยู่คนเดียวเหมือนบ้าใช่ไหมเห <laughs> มืนบ้าเลยนะ เออชาวบ้านแถวเชตตะวันสาววัตถีมาเห็นเดินทางโอ้ด่าสงสารอระนนลองให้สุกวันเพราะอานน์ก็เป็นลูกน้องชายของสุตโตตนะเหมือนกันลูกพี่ลูกน้องกันสุตโตธนาสุโกธนอาอมิโตธนะเอออาะนนก็ถูกเพื่อนบังคับเป็กรร ม, รรมฐานแบบหนึ่วันสองวันคนมีความรู้นะอาโนนเน่ยพระสูตรต่างๆจําได้หมดแล้ว สะสมตักงปวงก็มาถามพระหลานทั้งหลายเป็นไงไงอ้นุนนะไอ้เราก็เอาคนมีปัญญาคนมีความรู้นะเหมือนพวกเรามีความรู้มาน่งไม่ใช่โง่ที่ไหปัญญาชนดังนั้นเป็นผู้ใหญ่ไม่เหมือนอนุบาล น, นะต่อยอดไปเลยอ้นุ่งก็อ๋อรออีกสักหน่อยอรออีกสักหน่อยมันคือมันใหญ่เหมือนเราทํางานมันใกล้จะเสร็จแล้วนะ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 มหายาณ น, นั่นน่เช่มแข็งเขาเจ๋งจริงนะพิชฌุนีเนี่ยลงตาก็ไปอยู่ไต้หวันอยู่กับนิวยโ อ, อร์ก่กพุทธจีฝ่ายมหาญาสงเขาก็เจ๋งนะเวลาวันเสาร์วันทิ่เนี่ยทุกคนนี่พระสงฆ์ทุกลู่พิกฌานีทุกลุ่นี่ยไม่ใช่เดินทำอะวิ่งเอาต้อนรับเ้าโยมเจ้าโยมเขาเจ๋งบริการดูแลวัดว า, าร้านเจ๋งเวลาพระอายุปสิปีอย่างลุงตา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 ทิ้งไม่เป็นมันเขาอันนี้ฝ่ายมหาญาณเขาเขาเจ๋งการทำงานทำการพิกเจดีเนี่ยไปอยู่ไต้หวันลงตาเคยไปเลยหอบถามปูนขึ้นเขาเทปูนอคอนกรีตทำงานทำการพระน้นเขาจึงสร้างโบรมพุทธโธอชันตาอารุราของค่ายนิกายชีเอยเขาแข่งขันกับพพุทธเจ้าฝ่ายพุทธองค์เรา พระีกิสูจน์ต่างๆเป็นสาจนธรรมแน่นอนที่สุดศาธาพิธีอันนีทีหลังศาสาบุคคลคือพระสงค์พวกเราก็ถือเป็นรูปแบบเดิมที่ว่าฝ่ายเทรวาฒแบบพระมหาภิกษจปะพระมหากษปะให้นุง่งให้ห่มผ้าอย่างนี้ส่วนมหายาณไม่ใช่แบบนี้ใส่กางเกงใช่ไหม เ, เสือเ้อแขนยาวเวลาจินข้าวเน่ย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 มันมีให้เราวางไม่ใช่ให้เรายึดสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจมีแต่วางวางอันเกิดกับกายก็ถือไว้บ้างถือล้มไปทาวัดสวดมนต์ถือไฟฉายถือช้อนถือบาดถือจีวนจีวนบาทต้องวางในที่ไม่ตกมีพผนักวางในที่ไม่ตกไม่กิ้งพี่นายห้ามอย่างนั้น กีวันก็อย่าปราจากกีวอนแม้คืนหนึ่งไม่ได้เวลาฉันอย่าให้มันหกอย่างพ่กกองพาสวัดเราจะไม่ฉันเพื่อเพิ่มเพื่อเพินสนุกสนานไม่หกให้โหล่นเราจะไปไม่ป่วยเมเล็ดข้าวตกลงในที่บาดเือนที่นั้นเราจะไม่ฉันพางสบัดมือพางเราจะไม่ฉันนังจับจเราจะไม่ฉันดูจู้จุดเราจะไม่ฉันเรียบล่นเราจะไม่ฉันหลีเรีมนฟีบปาก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 ค่้ยกันเง็นความชั่วทำความดีให้มากมันขาดแขนเดี๋ยวนะี้วิธีทำความดีสุดยอดแล้วพวกเรานะทำไม่ไนพระสูตรสติปัฏฐานใสูตนะรเนี่ยาโนนจำปาไาเขียนลงไว้ในพระไตรปิฎกดีเหลือเกินแล้วมาในบอ่อหลกดีจริงๆนะในเรื่องของคำสอนเะนี่ยเจอหนังสือส่วนมากเนะนี่ยหนังสื อ, อที่ร้อยกองึ้นมาเป็นหนังสือ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 เดี๋นี้ก็จะเปลี่ยนหนังสือเรียนใหม่เข้ามา ไ, มได้อย่างอาจารย์ทําไปโยคเจ้าคุณทำปรกโยคจะไม่ต้องชื่อว่านวโกวาตจะชื่อว่าทำนอของชีวิตก็ยังไม่เป็นหลักสูตรได้ยังล่างไม่ได้อะการศึกษาอาจารย์ไปสานไปดูการศึกษาของพมา่าเขาศึกษาไงสงไทยท่านเข้มแข็งมากนี่ก็คือของพวกเราที่มรดกของธรรมะ มีหนังสือตำรับตำรามีคำสอนแน่นอนจนมาถึงทุกวันนี้มีคำสอนจังเอามาสอนกันได้ผลอยู่วิปัจนากรรมฐานถต่ว่าวิปจารทุระคันาธาทุระก็มีเรียนกันสงสงเป็นดอกเตอร์ก็มีทำงานทำการได้พวกเราก็เรียนวิปจารทุระเป็นกรรมฐานแล้วไปช่วยคนก็ได้เหมือนกันอาจจะไม่มีความรู้ วทธีบัดอะไรปัญญาอะไรแต่มีความรู้เรื่องกายเรื่องใจเอามาทาดีเอามาแลกความชั่วได้ความรู้อะไรที่ไหนข็ตามต้องมาช่วยกันทำความดีต้องช่วยกันแลกความชั่วความดีของเราอยู่ที่ไหนต้องไปช่วยความดีให้เกิดขึ้นทั่วแผ่นดินคมพูดอยู่ที่ไหนต้องไปช่วยกันทำความดีกายอยู่ที่ไหนต้องไปช่วยกันทํามดียิ่งยีใจใจก็มีเมตตาที่คนร่นเหลือไม่มีขอบเขต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 ให้มั่นใจเถอะพะสตุที่เราทำอยู่นี้มาตั้งแต่3 0ันปีแล้วไม่ใช่ของใหม่เลยของเก่าๆยกเบอร์สร้างจักววาอุิเจ้าก็บอกว่ า, า, าการคู่ฉันเขามีสติการเหยี่ดฉันออกวมสตินี่เรามาเกจนาสร้างจริงๆมันทันเวลาวินาทีหนึ่งรูปทีหนึ่งเอาไป น, นี่แหละนี่เ่าเสริมพลังเข้าไป